มีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่งวันนี้พบกับเศรษฐี บังเอิญที่ต้องมานอนอยู่ในโรงีรมห้องเดียวกันเพราะว่ามีแขกเยอะคือเขามาจาริกกันนะห้องก็ห้องว่างก็หมดก็เลยต้องมานอนอยู่ห้องเดียวกันเศถษี อ น, นิพกมีพอเห็นเศรษฐีก็หมายตาแล้วจ้องที่จะเอาเงินจากเศรษฐีทีจริงจะเป็นอ น, นิโกก็ไม่ใช่นะก็เป็นขโมยนั่นแหละก็ตอนเช้าก็ออกบุบายให้ถึงเวลาอาหารเช้าก็ให้เศรษฐีลงไปก่อน ขโมยนี่ก็อ้างว่าขออาบน้ำก่อนอเสร็จทีก็ลงไปกินข้าวพอออกจากห้องไปนะขโมยนี่ก็ อ, ออกจากห้องน้ำแล้วก็ทำการรื้อคนคนใต้เตียงคนใต้หมอนแล้วก็คนอ่า กระเป๋าของเศรษฐีแต่ก็ไม่เจอเงินก็คิดว่าเศรษฐีคงจะเอาเงินติดตัวไปด้วยวันต่อมาก็ทำอย่างเดียวกันให้เศรษฐีลงไปก่อนตัวเองก็เข้าห้องน้ำออกมาพอเศรษฐีอยู่ในห้องก็คนอีก ก็เล็งดูแล้วว่าเศรษฐีนี้ไม่ได้เอาเงินติดตัวไปแน่นอนงั้ก็เลยแน่ใจว่าเศรษฐีต้องทิ้งเงินเอาไว้ในห้องก็ค้นอีกนะใต้เตียงนะในกระเป๋าของเศรษฐีก็ไม่เจอวันที่สามก็ทำอย่างเดียวกันก็ไม่เจอเงินอีก เกิดความสงสัยเป็นกำลังนะว่าเศรษฐีนี่เอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนไม่ได้เอเงินติดตัวลงไปแน่นอนอดรอนทนไม่ได้ก็เลยสารภาพนะกับเศรษฐีว่าเนี่ยตัวเองตั้งใจจะขโมยเงินเศรษฐีแต่ว่าหาเงินไม่เจออยากจะรู้จริงๆนะว่าเศรษฐีนี่เอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนขอ ขอให้บอกด้วยนะจะได้เป็นความรู้อุตสาหะสารภาพนะเศรษฐีก็เฉยว่าเงินของตัวนี่แหละไม่ได้ซ่อนที่ไหนหรอกนะซ่อนใต้หมอนของขโมยนั่นเองขโมยนี่เปนคนทุกที่เลยนะแต่ว่าลืมดูใต้หมอนของตัว อิฏฐาเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็ให้แง่ทิดที่ดีนะทำไมเศรษฐีทไมโจนเนี่ยหรือว่าขโมยเนี่ยถึงค้นทุกจุดนะแต่ว่าลืมดูใต้หมอนของตัวก็เพราะมันใกล้ตัวมันใกล้ตัว คนเราเนี่ยมักจะมองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวและยิ่งใกล้ตัวมากเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งละเลยหรือมองไม่เห็นอย่างใครเล่าที่จะเห็นขนตาหรือว่าจมูกของตัวเพราะมันใกล้มากแต่ที่ใกล้กว่าขนตาและจมูกของเราเนะีก็คืออะไรคือใจ ใจนี่มันใกล้ใกล้มากใกล้จนคนส่วนใหญ่นี่มองข้ามหรือมองไม่เห็นแล้วก็ละเลยเพิกเฉยไปเรารู้เราสนใจสิ่งนอกตัวมากมายแต่ว่าเรากลับลืม มองดูใจของตัวเรารู้เวลาใครโกรธนี่เรารู้เห็นสีหน้าคนเห็นสีหน้าใครเราก็รู้ว่าเขาโกรธอยู่เพราะกำลังหงุดหงิดแต่ว่าเวลาเราโกรธเรากลับไม่เห็นความโกรธของตัว เราเห็นอารมณ์ความรู้สึกของใครเนี่ยจากสีหน้าจากคำพูดเราก็รู้แต่ว่าไอความรู้สึกในคิดของตัวทั้งที่มันอยู่กับใจทแท้ๆนี่กลับมองไม่เห็นในการที่คนเรานี้ยรัดเลยนะสิ่งใกล้ตัว โดยเพราะจิตใจนี้เป็นเรื่องที่เห็นได้ทั่วไปจริงๆแม้กระทั่งสิ่งที่ใกล้ตัวที่ไม่ใช่จิตใจเช่นเรื่องวัตถุหรือว่าคนเนี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนเรามักจะมองข้ามไม่ให้ความสำคัญเราจะไปชื่นชมสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างนอก แต่ว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเรากลับไม่ชื่นชมมีนับร้องคนนึงชื่อแอนเขาเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนนี้เพิ่งกลับมาจากการไปปลูกป่าในต่างจังหวัดแต่มีความประตือรือร้ น, นมากนะว่า ก็เล่าหยว่าเนี่ยได้ไปปลูกป่าที่ไหนบ้างแล้วก็บอกป่านี่การปลูกต้นไม้เป็นเรื่องสําคัญนะเพราะตอนนี้โลกมันกําลังร้อนเราทําลายป่ากันมาเยอะแล้วเราต้องปลูกต้นไม้สร้างป่ากันให้มากขึ้นป่านี้นอกจากจะช่วยทําให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลแล้วยังบํารุงดินยังเป็นประโยชน์กับสรรพสัตว์แล้วก็ยังช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้ แก้ปัญหาโลกร้อนได้แล้วก็เล่าถึงนักปลูกปาอย่างจากตำรวจนะตอนนี้ก็เป็นร้อยตำรวจไปแล้ววิชัยสรยุทธนะว่าที่ชอบปลูกปานปลูกปาถนะึงสองล้านต้นแล้วแกก็เล่าด้วยความาตื่นเต้นดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจแอมเขาได้ยินก็เลยพูดขึ้นมาว่าโอ้ ที่บ้านเธอนี่ต้นไม้นี่คงเยอะน่าดูเลยนะพอพูดอย่างนี้แกก็หยุดเลยนะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ยต้นไม้บ้านฉันตัดไปแล้วไม่ไหวกวาดกิ่งไม้กวาดใบาไม้นี่ไม่ไหวกวาดทุกวันนี่ฉันเบื่อแล้วเกินโคลนกันนะวไปชื่นชม นะป่าไม้ที่ไกลตัวแต่ว่าต้นไม้บ้านในบ้านนี้ไม่สนใจกับช่งางซะด้วยนะมันก็มีแบบนี้นะคนเราหันเราไปชื่นชมเสียงต่ามนอกตัวมากมายแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนี่กับมองข้ามนะไม่ใช่แค่ต้นไม้นะรวมถึงคนใกล้ตัวแล้วก็รวมถึงสิ่งที่เรามีอยู่กับตัวด้วย โดยเพราะลึกเข้าไปกว่า น, นั้นก็คือใจของเรานะอันนี้ก็รวมไปถึงเวลาเรามองเรามองถึงเวลาเรามองปัญหาเนี่ยนะเรามองปัญหาที่เกิดขึ้นเราก็มองออกไปที่นอกตัวเหมือนกันนะแต่ว่าเราลืมนะมองสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรา ที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันเคยมีข่าวเป็นเรื่องของชายหนุ่คนหนึ่งซึ่งแกอ่เป็นคนทำงานที่อซาลารีแมน man. ก็มีฐานะพอสมควรมีบ้านของตัวเองอยู่คนเดียวแกก็สังเกตว่าในช่วงสองสามนที่ผ่านมาเนี่ยข้าของในบ้านแกหาย เนื่องราะพวกอาหารของกินมันหายอยู่เป็นประจำแกแน่ใจว่ามีขโมยก็เลยพยายามที่จะปรับปรุงประตูบ้านล็อกประตูบ้านให้แน่นหนาเปลี่ยนประตูบ้านใหม่เลย ประตูบ้านประตูลวดนะแล้วก็ทำให้กำแพงมันแน่นหนามากขึ้นแต่ว่าก็ยังมีของหายที่บ้านอยู่เป็นประจำอยู่นั่นแหละอันนี้แกทำยังไงอ่ะแกก็เลยติดกล้องวงจรปิดในบ้านเนะี่ยกะจะดูให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ แล้วกงจรปิดเนี่ยมันก็ไปต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือของแกเพราะฉะนั้นเวลาแกไปทำงานเนี่ยนะแต่เช้าแกก็เปิดดูว่าเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นในบ้านของแกหรือเปล่าเราก็วก่าก็ได้เรื่องเลยนะเพราะว่าเห็นเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามายุ่มย่ามในบ้านของแกแล้วก็มาค้นของค้น ของคนครัวแกก็รีบเรียกตำรวจนะเรียกตำรวจไปทันทีแลวตำรวจก็กับแกก็รุดหน้าไปที่ที่บ้านก็สังเกตว่าประตูรั้วนี่ก็แน่นหนามีการล็อกนะไม่มีการไม่มีทีฆ่าว่าใครจะเข้าไปในบ้านได้หน้าต่างก็แน่นหนาแต่ว่าเห็นคนในนั้นก็เลยเข้าไปคนบ้าน นะสุดท้ายก็เจอนะเจอข้อซ่อนอยู่ในตู้ตู้เสื้อผ้านะสอบถามก็ได้ความว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยซึ่งอายุสักห้าสิกว่าแล้วเนี่ยก็มาซ่อนตัวอยู่ในบ้านมาหกเจ็ดเดือนแล้วเป็นคนไร้บ้าน วันหนึ่งเนี่ยเห็นบ้านเปิดก็เลยเข้าไปเลยแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในตู้เสื้อผ้านเนกลงคืนซ่อนตัวในนั้นนพอเจ้าของบ้านออกไปทางนานแก ก, ออก็ออกมาออกมาอาบน้ำกินข้าวนะจนเย็นเจ้าของบ้านกลับมาแกก็รู้เวลาก็หลบเข้าไปซ่อนอยู่ใน ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าแบบแบบญี่ปุ่นมันมันไม่มันก็ไม่ได้แน่นหนาแล้ก็แค่เลื่อนไปเลื่อนมาแกก็ทำให้มันนานทีเดียวแกคิดว่าเออมันสบายดีไงดีกว่าเป็นคนจราจัจนะไม่มีบ้านอากาศก็หนาวอาหารการกินก็ไม่มีสู้มาซ่อนอยู่ในบ้านดีกว่าผู้ชายคนนี้เจ้าของบ้านนี้แกก็นึกมาตลอดว่าแกอยู่คนเดียวนะ หารู้ไหมว่ามีขโมยซ่อนอยู่ในบ้านมาตลอดหลายเดือนแล้วแกได้หลงคิดว่าขโมยนี่มันอยู่ข้างนอกที่จริงขโมยอยู่ใกล้ตัวนี่เองอยู่ในบ้านแล้วพวกเราที่ใครที่อยู่คนเดียว น, นี่ก็เอย่าเพิ่งประมาทล้วว่าอยู่คนเดียวจริงนะ จ, จะมีใครซ่อนอยู่ก็ได้จริงๆแล้วนี่พวกเราทุกคนนี่เนาะลือส่วนใหญ่ก็ได้มันก็มีขโมยในตัวทั้งนั้นแหลนะอย่างพญาเนี่ก็เป็นขโมยอย่างหนึ่ง น, นะ หือแม้กระทั่งเชื้อมะเร็ง น, นี่มันก็เป็นขโมยมันขโมยเอาสารอาหารจากเราไปในร่างกายมางคนกินเข้าไปเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอ้วนไม่ค่อยอ พ, าพาาายาลามีพลานามัยเท่าไหร่เพราะว่าพันยาหรือว่าไอ้ก้อนมะเร็งที่มันดูดเอาไปนี่ก็เลยเป็นเป็นขโมยที่เราไม่รู้ตัวแต่ขโมยที่น่ากลัวกันนั่นคือก็คือตัวที่ขโมยความสุขไปจากใจของเราตัวความหลงตัวกินเล ตัวอารมณนะ์อารมณ์นะที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ย น, นี่ก็เป็นขโมยได้นะเพราะมันเกิดขึ้นมาทีไรนี่ไม่มีความสุขเนะี่เวลาเราไม่มีความสุขเรามีความทุกข์เราก็มักจะมองออกไปข้างนอกว่าเนี่ยคนนั้นคนนี้ทําให้ฉันไม่มีความสุขคนนี้เขานะเขาทําตัวไม่น่ารักนะเขาพูดจาไม่ดีหรือว่าเขา คอยเอาเปรียบชั้นนะแต่ที่จริงเนี่ยเราลืมมองไปว่าไอ้ตัวการที่แท้จะทำให้เรามีความสุขน้อยลงแล้วก็มีความทุกข์มากขึ้นก็คือใจ น, นั่นเองหรือว่าผู้เห้ชัดก็คือความหลงความยึดติดถือมั่นนะถ้าพู้อย่างสุดท้าๆคือกิเลสและอวิชชานะแต่พูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือความหลงหรือว่าพวก อารมณ์ต่างๆที่มันปรุงแต่งขึ้นมาในใจเกิดขึ้นมาทีไรเราก็ทุกข์แล้วลตัวนี้มันเป็นเหมือนกับตัวตัวที่คอยปรุงแต่งทําให้เรื่องที่มากระทบกับตัวเราเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นมากับชีวิตของเราเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากับชีวิตของเราเมันกลายเป็นความทุกข์ได้ความสูญเสียนะ ความเจ็บป่วยหรือว่าอุปสรรคในการทำงานตลอดจนความล้มเหลวไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกตัวเราเกิดขึ้นกับสิ่งที่กับทรัพย์สมบัติของเรากับร่างกายของเราเนี่ยแต่มันไม่จาเป็นว่าจะต้องทำให้เราทุกข์ใจแต่ที่เราทุกข์ใจได้ก็เพราะว่าไอ้ความหลงความยึดติดถือมั่น ความไม่รูนะ้ความปรุงแต่งนะหรือถ้าพูดสรุปรื่องเจ้าอีกหน่อยคือว่ามันก็คือตัวกูของกูนี่แหละนะในความยุตินในตัวกูของกูนี่แหละที่มันเป็นตัวขโมยความสุขของเราใครเขาจะว่าเราอย่างไรถ้าเราไม่ไม่สนใจนะไม่ไปยึดเอาความคำพูดของเขาเนี่ยมา ทิ้มแทงใจเราก็ไม่ทุกเงินทองจะสูญเสียไปนะแค่ไหนเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไปยึดติดถือมั่นว่ามันเป็นของเราอยู่ตลอดเวลาหรือว่าไม่ไปหวนคิดถึงสิ่งนั้นให้เกิดความเศร้าเสียใจให้อะไร หรือว่าถ้าเราอยากรับความจริงได้ว่ามันก็เสียไปแล้วถ้ามาถ้ามานึกถึงมันก็ทำให้เสียใจเพิ่มเข้าไปอีกนะเสียทั้งเงินเสียทั้งใจนะก็การเป็นการซ้ำเติมตัวเองถ้าจะเสียก็เสียแตงเงินนะแต่ว่าใจไม่เสียถ้าเรามีสติรู้แล้วก็ปล่อยวางได้ว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วมันเป็นของใครไปแล้วก็ไม่รู้ มันก็ไม่ถูกนะแต่ว่าใจที่ยังยังยึดติดถือมาว่าเป็นของกูของกูของกูงกนะก็เลยทําให้เกิดความเสียใจเกิดความเสียใจนะก็เรยว่าเป็นการเนการซ้ําเติมตัวเองเสียทรัพย์นี่คนหนึ่งทําให้เสียทรัพย์นี่เป็นเพราะผลงานเป็นพ่อฝีมือของคนอื่นเขามา่เอาไปแต่ถ้าเสียใจนี่ไม่มีใครทำนะ มันเป็นใจของเราเองใครพูดนะใครก็จะพูดอย่างไรรอห้ามไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเราโกรธเนี่ยนะอันนี้เป็นเพราะใจของเราที่ไปยึดติดถือมั่นกับคำพูดเหล่านั้ น, นหรือไปไปไปลงยึดติดกับภาพลักษณ์ตัวตน ปรารถนาจะให้คนเขารักเรายอมรับเราเวลาเรารู้ว่าใครเกลียดเราเนี่ยนะทนั้งที่เรายังไม่รู้สาเหตุเลยเขาเกลียดเราเพราะอะไรเนี่ยปฏิกิริยาอย่างหน้าที่เกิดขึ้นคื อ, อไงเราก็เกลียดเขาทันทีเลยเราไม่รู้ว่าเขาเกลียดเราเพราะอะไรนะแต่ทันทีที่เรารู้ว่าเขาเกลียดเราเนี่ยขอไม่พอใจเรา เราจะเกลียดเขาเราจะไม่พอใจเขาทันทีเลยอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะตัวอัตตาตัวอัตตาที่มันมันต้องการการยอมรับพอได้ยินว่าคนนั้นคนนี้ไม่ไม่ชอบฉันคนนั้นคนนี้คือไม่ต้องถึงขั้งเกลียดอะแค่แค่เขาไม่ชอบฉันเนี่ยนะอัตตาจะมีปฏิกิริยาเป็นลบ ก, กับคนนั้นทันที เพราะว่ามันไม่พนนออัตตาเรามันก็คือศัตรูของเราใครที่ไม่ไม่พนน้อไม่ไมปลิตอัตตาของฉันคนนั้นก็คือศัตรูของฉันที่สมรมชาติของอัตตาเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ทุกเองนะตอนที่นคนที่เขาไม่ชอบเราคนที่เขาเกลียดเราเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเราแต่เพียงแค่เราได้ยินได้ฟังเรื่องนี้ได้นึกถึงเขานี่เราก็เป็นทุกทันที อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างความทุกข์เล็กๆในน้อยนะแต่ว่ามันมีมากกว่า น, นั้นอย่างที่เราพูดกันเมื่อวานเนี่ยเพราความยึดมั่นถือมั่นในตัวกูของกูนี่นแหละแ้วการที่เราปล่อยให้ตัวกูของกูนี่มันออกมาอาละวาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความทุกข์ได้ง่ายถูกกระทบได้ง่ายแล้วก็มันทำให้เราเนี่ย มีปัญหากับผู้คนแวดลอ้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาใครมาท้วงติงเราแม้ทำด้วยความปรารถนาดีถ้าปล่อยให้อัตตาครองใจแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ฟังแล้วเราก็จะโกรธนะเพียงแค่ถูกรถเพียงแค่รถถูกปาดหน้าเนี่ยก็โกรธจะไล่าตามไนะล่ ไลปาดหน้าไล่เอาไล่คืนเพื่อที่จะปาดหน้าเอาคืนถูกกระทบได้ง่ายเหลือเกินแม้กระทั่งเวลามีคนใกล้ชิดมามาท้วงติงนี่บางทีก็ไม่ฟังนะโกรธมีเพื่อนคนหนึ่งนะเป็นวิทยาเป็นข้าราชการชั้นสูงนะ ก็เป็นที่รู้จักนะในแวดวงแวดวงเกี่ยวกับเรื่องวิชาการแล้วก็การทางนานเพื่อสังคมได้รับเชิญเป็นวิทยากรนะไปพูดเรื่องที่เกี่ยวกับารแพทย์แล้วก็เกี่ยวกัเรื่องการาปัญหาสังคมอยูนะอย่ชื่อก็เป็นที่รู้จักกันนะเพราะว่าเป็นคนที่ฉลาดนะแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถ แต่ว่าก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพิถีพิถันเรื่องการแต่งกายคนะือจะไม่ค่อยหวีผมนะผมแกก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่นะแต่ว่าแกก็จะไม่ค่อยชอบหวีผมภรรยานี่ก็จะคอยคอยทักคอยเตือนให้หวีผมนะแกก็ปกติก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยภรรยาก็ทักเหมือนเคยมาหวีผมหน่อยนะก่อนออกไปทํา ง, งาน แ, บบแกบอกแกฉุนมากแกโกรธนึกขึ้นมาในใจว่ามึงเป็นใครกูนี่วิทยากรระดับชาติเลยนะทำ mm hmm. ไมมาทำกับกูอย่างนี้ mm hmm. <laughs> ตัวกูนี่มันขึ้นมาเลยนะคือแบบเอาความเป็นวิทยากรระดับชาติม า, ก, มากระทั่งในบ้าน mm hmm. นะภรรยานี่เขาก็ไม่สนใจกับวิทยากรหรือไม่เธอเป็นสามีฉันเธอเป็นคนรักฉันใจก็ใส่ใจดูแลเธอแต่ว่าแกนี่ อัตตาขึ้นมาเลยนะกูเป็นวิทยากรระดับชาติมึงเป็นไครนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้แสดงอาการอะไรให้ภรรยารับรู้แต่รื่องนี้แกก็แกก็ดีนะก็มาไล่ฟังอย่างึงอัตตาตัวตนในขนาดนี้รัถาาว่าใครทุกนะรักาภรรยาก็ไม่ได้ทุกอะไรหรอกแต่ตัวเองทุกสละนะแต่ดีที่ไม่ทันพูดออกไปเพราะถ้าพูด อ, อไปนี่ภรรยาก็จะทุก แล้วก็คงยังมีการตอบโต้กันเนี่ยธรรมชาติอัตตาตัวตนนี่มันมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าถึงแม้คนบางคนอาจจะตั้งอัตตาตัวตนในส่วนนี้น้อยแต่มันก็มีอ่าก็ยังมีความยึดติดถือมั่นในสารนีที่ทำให้นะคนเราเนี่ยมีความทุกข์อยู่เห็นการที่เราเนี่ยหันกลับมาดูใจของเราอยู่เสมอนะ เพื่อจะจะไม่ให้ตัวอัตตาตัวตนหรือความคิดมั่นถือมันเนี่ยเข้า ม, มาครองใจาัสสำคัญมากบางทีมันก็ไม่ได้มาในรูปของตัวตนที่ใหญ่โตนะแต่มันมันปรากฏในรูปของอารมณ์นะอารมณ์ที่โกรธ น, นะเสียใจรู้สึกผิดไนะอ้พวกนี้เนี่ยถ้าสาวไปจริงๆนี่ก็มันก็มาสุดตรงตัวไอตัวอัตตาเนี่ยแต่ว่า ถ้าเรายังไม่ไ ม, ไม่ไม่หมั่นดูใจเนี่ยเราก็จะไม่เห็นแม้แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นเราก็จะไม่ทันเห็นพอมันเกิดขึ้นเราก็ไปตามมันเสแล้วนะเราพูดด่าเรียบร้อยแนละ้วเราอารวากไปเรียบร้อยแล้วถึงค่อยเห็นอารมณ์ของตัวนะคนที่เป็นแม่คนที่เป็นพ่อเนี่ยจะจะมีจะมะีจะเจอแบบนี้คือว่าลูกไปแล้วระเบิดสายูปไปแล้วถึงค่อยมาเห็นนาโอ เราทำไปเพราะอารมณ์แท้แท้แล้วทำไมเราต้องมาเห็นก็ต่อเมื่อได้ระบายอารมณ์ไปเรียบร้อยแล้ว เ, เกิดปัญหาไปเรียบร้อยแล้วทำไมเราไม่เห็นก่อนที่มันจะทำให้เราลืมตัวมากไปกว่า น, นี้อารมณ์พวกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ลืมตัวนะการลืมตัวนี่ไม่ไ้ไม่ได้หมายถึงการไม่ได้หมายถึงเพียงแค่พูดออกไปทาออกไ ป, ต า, ออกไปตามอำนาจของมัน เพียงแค่จมอยู่ในอารมณ์นั้นเนี่ยเช่นโกรธนี่ก็จมอยู่ในความโกรธนะอันนี้ก็เรียกว่าเราลืมตัวแล้วเพราะว่าขณะที่เราโกรธเนี่ยมันจิตใจเราเป็นทุกข์แล้วนะมันเผาล้นจิตใจเราแต่แเราก็ยังยังยังไม่ยอมที่จะหลุดออกจากความโกรธอีกยังอยากจะคิดต่อสังเกตว้าเวลาเราโกรธใคร จี่งๆไม่ใช่แค่ความกลัวนะความเศร้าเสียใจก็เหมือนกันเวลาพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะจมเข้าไปเลยแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าหมกมุ่นอยู่ในอารมณ์นั้นความกลัวก็ดีความเสียใจก็ดีแต่ที่มันก็เป็นทุกข์นะแต่เราไม่ยอมเลิกอันนี้เพราะอะไรเพราะลืมตัวลืมตัวแล้วมันก็ทาให้เราเป็นทุกข์นะ และถ้าลืมตัวหนักขึ้นเนี่ยก็จะแสดงออกมาเป็นการกระทำเป็นคำพูดนะด่าว่าเขาหรือว่าทำร้ายตัวเองทำร้ายข้าของนะแต่ถึงแม้ไม่แสดงการอย่างนั้นเนี่ยมันก็ลืมตัวตั้งแต่ตอนที่เข้าไปจมอยู่ในอารม์นั้นแล้วเพราะว่าทุกแล้วเนี่ยก็ยังไม่ ย, ไมยังไม่คิดหาทางหลุดออกจากมันมันไม่เหมือนร่างกายแล้วนะ้ร่างกายเราเวลาโดนของแหลมนิ้วเราโดนของแหลมเนี่ยไม่ต้องสั่งนะ มันชักนิ้วออกมาเองเวลานิ้วถูกไฟเนี่ยหรือถูกน้ำร้อนเนี่ยถูกของร้อนเนี่ยมันดึงออกมาเองแต่เวลาใจเราเนี่ยมันถูกเผาร้นด้วยความโกรธถูกทิ่มแทงด้วยความเจ็บช้า น, น้ำใจนะเราก็ยังจมอยู่ในอารมณ์นั้นนี่เพราะว่าเราไม่หัดดูใจถ้าเราหัดดูใจของเราเนี่ยก็จะเห็นว่าโอมัน ใจเรากำลังถลําลึกเข้าไปในอารมณ์เหล่านั้นเมื่อรู้แล้วนี่ก็จะดึงออกมาอะไรที่จะดึงออกมาคือสติ ท, ทันทีที่เรารู้ว่าเราว่าอารมณ์กำลังคร่องําใจเนี่ย ท, ทันทีที่รู้นะความรู้ตัวจะมาจะเกิดขึ้นและสติก็จะดึงความรู้ตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าสติเนี่ย มันจะพาจิตกลับมาสู่ปัจจุบันดูกับเนื้อกับตัวก็จะเกิดความรู้ตัวขึ้นนะเพียงแค่รู้ทันอารมณ์รู้ว่าเกิดอารมณ์ขึ้นเกิดความโกรธเกิดความเสียใจหรือว่าคิดนึกปรุงแต่งไปต่างๆนานาแค่รู้เท่านั้นแหละนะสตินก็จะดึงจิตออกมามาอยู่กับปัจจุบัน ความรู้ตัวก็จะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าสติไม่แรงและอารมณ์มันแรงกว่าก็จะรู้ตัวแค่ประเดียวประดาวแล้วก็จะถูกอารมณ์นั้นดูดกลับเข้าไปใหม่ดูดกลับเข้าไปใหม่มันมีแรงดึงดูดนะนี่ทำให้เกิดความยึดมั่นถือมัน่นคือมันถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็ว่ามันดูดหรือว่าใจไปยึดเอาแน่นเลยนะ จนกว่าเราจะมีสติที่แรงพอนะและสตินี้เกิดขึ้นในจากการที่เราหมั่นดูใจบ่อยๆหมั่นดูใจบ่อยๆเราทำเป็นนิสัยเนี่ยนะสติก็จะทำหน้าที่ก็จะทำงานได้งอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะได้ทำให้ใจเราเนี่ยไม่ถูกไม่ตกอยู่ในอำนาจนะของ พวกขโมยเหล่านี้พวกเรานี่เป็นขโมยนะมันจอดเข้ามาในใจของเรามันก็เหมือนกับผู้หญิงคนที่ว่าเนี่ยซึ่งเดิมที่ก็อยู่นอกบ้านเร้รอนแต่พอเห็นประตูบ้านเปิดมันก็ได้ช่องเขาก็ได้ช่องเข้ามาแอบซ่อนอยู่ข้างในแต่ตั้งเดิมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในนั้นให้ความโกรธความเสียใจแม้ทั้งความอยาก มันไม่ใช่เป็นของเดิมนะแต่มันมันจรเข้ามาจรเข้ามาแล้วจะอยู่นานหรือไม่เนี่ยเรื่องหนึง่งนผะู้ยอดตัดว่าเนี่ยจิตนั้นประภัดสอนแต่ว่าเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรเข้ามานะคนเราเศร้าหมองเพราะว่ากิเลมันจรเข้ามามันแอบเข้ามาแอบเข้ามาแล้วก็อาจจะครองเลยนะไม่ใช่มาแล้วมาแล้วไป เจ้าของบ้านไม่รู้เนี่ยมันก็เลยอยู่ได้นานแต่ถ้าเจ้าของบ้านรู้นะไม่มัวแต่หาขโมยข้างนอกแต่ว่าคอยตรวจสอบขโมยข้างในด้วยเมื่อรู้เนี่ยก็จะมันก็จะหนีไปเองอย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยโจรเนี่ยหรืขอขโมยที่มันแอบเข้ามาในบ้านเนี่ยไม่ต้องทำอะไรมันนะเพียงแค่ มันรู้ว่าเจ้าของบ้านรู้เพียงแค่มันเห็นหน้าเจ้าของบ้านนั่นแหละมันก็หนีไปละแล้วมันชอบมาในความมืดมาในอยู่ในจุดที่เจ้าของบ้านมองไม่เห็นเพราะมันกลัวเจ้าของบ้านรู้ให้ตัวขโมยความสุขในใจเราก็เหมือนกันนะมันก็มาทีเพล ข้อสำคัญคือเราอยา่าเผลอไงเราก็ต้องมันสอดส่องดูใจบ่อยๆนะเวลาทำอะไรเนี่ยก็อย่าลืมดูใจของเราด้วยแม้เราจะทำทำงานทาปิจวัตรอาบน้ากินข้าวถูฟันหรือว่าทำงานต่างๆเนี่ยอย่าลืมดูใจของเราเวลาพูดคุยทกเถียงกันนะก็อย่าลืมดูใจของเราไปด้วยนะเพราะถ้าเราไม่ดูใจของเราเนี่ยเราก็จะถูก พัดพาไปตามกระแสอารมณนะ์มันมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่ในประวัติของท่านเว่ยหลางท่านเว่ยหลาง น, นี่ก็เป็นเป็นสังฆปริณากนิกายชาญ น, นิกายชาญคือเซนนั่นแหลนะแต่ชาญนี่เป็นเซนในของจีนก็เป็นคนที่เรียกว่าประหลาดเพราะว่าไม่มีการศึกษาอ่านหนังสือไม่เป็นนะแต่ว่าป ร, รุธรรมได้ ก็มีเรื่องเล่าวันหนึ่งถ้าไปงานได้รับนิ้มมอนให้ไปงานเป็นงานที่เป็นงานบุญที่ใหญ่มากมีคนมากันเยอะแยะเลยเนยแล้วก็ก็มีการปักธงทิวริปประดับเนี่ยเยอะแยะเลยก็มีมีพระสองรูปเนี่ยเห็นธงนะที่ปลิว่ในบนเสาเนี่ยก็เลยอภิปรายกันว่า ที่ธงมันไหวหรือว่าลมมันไหวที่แรกก็เถียงกันสองคนตอนหลังก็มีคนมาร่วมถกเถียงมากขึ้นจากสองเป็นสีน 8, นะ่จากสี่เป็นแปดแม้กระทั่งเป็นกลุ่มใหญ่ต่างถกเถียงกันแล้วก็เริ่มแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเริ่มมีอารมณ์นะธงมันไหวหรือว่าลมมันไหวนะเป็นปัญหาเชิงปรัชญาหรือปัญหาอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเกิดเป็น เกิดมีการโต้เถียงการรุนแรงมากขึ้นตกลงกันไม่ได้นสุก็เลยต้องไปหาท่านเวหลาก็ได้เชื่อเป็นเป็นปราชญ์ที่มีความรู้ท่านวรยหลาพอได้ฟังเสร็จเนี่ยแทนที่ท่านจะตอบว่าตกลงแล้วเนี่ยทงไหวหรือว่าลมมันไหวท่านก็บอกว่าใจพวกท่านอาไหวท่านเวรยหลากาลังทำอะไรท่านกาลังเตือนคนเหล่านั้นว่า มัวสนใจว่าธงไหวหรือลมไหวเนี่ยให้มาสนใจาใจท่านตอนนี้กำลังไหวแล้วกำลังกระเพื่อมนะอันนี้ก็เป็นตัวเป็นกรณีที่เชียวเนี่ยทั้งสองทั้ง้งงสองฝ่ายเนี่ยมัวแต่สนใจสิ่งนอกตัวว่าเป็นธงไหวหรือลมไหวแต่ว่าลืมดูใจของตัวนั้นถ้าเราเนี่หันั น, นมันหันมาดูมันดูใจของเราเสมอไม่ว่าในยามสุขหรือยามทุกข์ไม่ว่าในยามขึ้นหรือยามลง ไม่ว่าในยามมีหรือยามเสียไม่ว่าในยามพบหรือยามพราดในยามเจอหรือยามจากในยามทำงานปกติกิจวัตรประจำวันหรือว่าทำงานที่เป็นเรื่องสำคัญการดูใจการหมั่นดูใจของตัวมีสติรู้ใจของตัวสาคัญเสมอนะแล้วมันจะคอยช่วยปัดเป่าไม่ให้ความทุกข์เข้ามาถึงใจเราได้นะความทุกข์อาจจะเกิดขึ้นกับ ทรัพย์สมบัติของเรากับคนรักของเรากับงานการของเรากับคนรักของเรานะแต่ว่ามันจะไม่กระเทือนมาถึงใจถ้าว่าเรามีสติรู้ทันยิ่งถ้าเรามีปัญญาด้วยเนี่ยนะมันก็ไม่มีอะไรที่จะมากระทบใจเราได้เลยนะเราไม่สามารถจะห้ามสิ่ ง, งต่างๆเราไม่สามารถจะห้ามไม่ให้เกิดสิ่งเลวร้วาย กับร่างกายของเรากับทรัพย์สินของเรากับการงานของเราหรือกับคนที่เรารักเราไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้แต่สิ่งหนึ่งที่เรายังทําได้คือว่าไม่ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยกระเทือนมาถึงใจของเราอันนี้คือสิ่งที่เรามีอํานาจที่จะทําได้และเราเลือกได้นะ กระทบกายแต่ไม่กระเทือนถึงใจนี่เราทําได้สูญเสียทรัพย์สูญเสียคนรักแต่ไม่สูญเสียความสุขภายในใจนี่เราทําได้เพราะเรื่องใจนี่เป็นเรื่องของเราอยู่ในวิสัยที่เราจะดูแลจัดการได้ถ้าเรามีสติมันรู้ตัวเสมอแล่ะก็ชาวนี้กราพูดกันเท่านี้นะจากนี้ไปเราก็เดินจงกรมการเดินจงกรมนี่ก็เมื่อวานนี้อาจจะอยู่ไกลฟังกันไม่ค่อยได้ยินนะ ก็คือว่าให้เราก็เหมือนกับเราเดินจงกรมในในห้องเนี้นะคือว่าเราให้เรารับรู้ให้เรามีความรู้สึกตัวหรือว่าพยายามที่จะรู้สึกตัวกับการเดินโดยที่ไม่ได้จดจอจดจ้องที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายใหม่ๆเนี่ยจิตมันก็จะพุ่งออกนอกนะเพราะว่ามันจะไม่คุ้นกับการที่จะมากับการที่จะกลับมาอยู่กับกับเนื้อกับตัว โดยที่ไม่ไปบังคับมันส่วนใหญ่เนี่ยจิตมันจะอยู่กับเรื่องตัวได้เราต้องบังคับบังคับให้มันอยู่กับล ม, มลมหายใจบังคับมันอยู่กับเท้าแต่พอเราไม่บังคับมันเนี่ยมันก็จะวิ่งพลาดไปทั่วทั้งๆ ท, ที่เราเหมือนกับมีการกําหนดนะให้มันอยู่กับกายแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยอยู่ก็ไม่เป็นไรมันฟุ้งไปไกลแค่ไหนรู้ตัวเมื่อไหร่กลับมารู้ตัวเมื่อไหร่กลับมานะ เวลาเดินเนี่ยนะมันจะมีได้ยินเสียงนกร้องมีลมเย็นๆมามาสัมผัสกายเกิดสุขเวทนาขึ้นก็รู้รู้ความพอใจที่เกิดขึ้นรู้ถึงความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อได้ยินเมื่อได้สัมผัสลมที่มากระทบรู้แล้วก็วางกลับมาอยู่กับการเดินนะไม่ต้องปรุงแต่งหรือถ้าปรุงแต่งก็รู้ เวลาตด้ยนเสียงนกก็ จ, จะนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตลมมากระทบก็นึกถึงเคยวันคืนที่เคยมีความสุขรู้ว่าใจมันไปอดีตแล้วก็รู้แล้วก็รู้แล้วก็วางพอเดินไปได้สักพักได้จจยินเสียงระครังก็กลับมาตามลมหายใจไม่ต้องปิดตาก็ได้เปิดตาตามลมหายใจตอนนี้เสียงนกจะได้ยินชัดขึ้น ลมที่มากระทบก็สัมผัสได้ชัดขึ้นหรือแม้กระทั้งอยู่มากัดก็รู้ชัดขึ้นก็รู้เฉยๆนะสุขหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นก็รู้เฉยๆรู้แล้วก็วางให้มันผ่านเลยไปที่เสร็จละครก็เดินต่อการทอดสายตาเนี่เราก็ทอดสายตาลงที่พื้นนะอย่าเพิ่งมองออกไปนอกตัวเพราะว่าจะทําให้ใจฟุ้งเด้งง่ายเก็นะบมือของเราไวนะ้เพราะว่าถ้าเราปล่อยมือให้มัน เมื่อก็เดินเล่นเนี่ยใจก็จะฟุ้งเมื่อก็เราเวลาเราเดินเล่นตามปกติที่ยเดินวันนี้ก็มาก็เดินเล่นนะัคือเดินแบบโดยที่ไม่ต้องเพ่งอะไรเพ่งแต่ว่าไม่หาเรื่องคิดให้มันฟูงปรุงนั่นแะหลอ่ ะ, เ, อ ะ, เ, อะเราก็เริ่มต้นเดินกัน ไ, ไปตั้งแถว